แต่ลึกๆแล้วนี่มันเป็นเรื่องของสมมติเหมือนเราคอยกินพวกดอกของต้นไม้แต่ความจริงมันมีผลนี่อีกแต่เรายังไปไม่ถึงนะเมื่อเรามาวิวัฒนาการได้ศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นก็ปรากฏว่าทันที่เราจะใช้เวลาให้สูญเสียไปกับวัฒธรรมประเพณีซึ่งเราได้ใช้มันมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วเราก็วิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของสมมุติธรม ร, มธธรมปรามตธรรม และพรมจัร์สูงขึ้นนะ ก, ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาวุฒิภาวะของความเป็นพุทธของเราให้สูงขึ้นนะคือมีความาพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณซึ่งในช่วงเชตการ น, นี้ก็ต้องยอมแล้วว่าเราคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้ามาแทรกให้ศึกษาบ้างอพอเป็น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 เพราะถ้าไม่หิวแล้วร่างกายเราจะไม่แข็งแรงคนทุกวันนี้อ่อนแอรโครคภักขีเจ็บเยอะเพราะไม่ไม่อยู่ภาวะที่หิวาบางวันนามานของฉันน้อยทำงานเยอะๆ เ, เพื่ออะไรเพื่อให้มันหิวเพื่อหิวแล้วร่างกายได้จะแข็งแรงไม่มีโรคภายไข้เจ็บเพราะร่างกายได้เาผาผลาญใช้ไอสิ่งที่เข้าไปหมด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 ล่วงเกินไปสู่เขตของนามมันก็จะเป็นแปลงเป็นนาำ ม, มาลูกแต่ถ้าคนรู้เส้นแบ่งระหว่างรูปกับนามเนี่ยนก็ยังเป็นนามรูปก็ยังเป็นรูปเราก็บริหารไปในส่วน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 ตัวไตรสิกขาถ้าเปลี่ยนไปโดยสรรชาติยานมันในตัวจิตของเราก็เกิดนา ม, มารูปคือเกิดโมหะคือความไม่รู้อวิชชาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นนามรูปละนามรูปไม่ได้หมายถึงความคิดอย่างเร็วนามรูปหมายถึงทำอันท้นเป็ฝ่ายอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตเป็นนามรูปหมดถ้าไม่มีนามรูปอกุศลทั้งหลายเกิดไม่ได้ถ้าเป็นนามล้วนๆเนี่ยอกุศลเกิดไม่ได้เพราะนามมันเป็นปรมัทิตย์มันอยู่เหนือ